ตอนที่2โลกร้อนโลกร้อนจนคนตายเพราะความร้อนชัดจะเยอะละที่อินเดียนั่นไงเป็นหมื่นๆมื่นพอโลกร้อนน้ำแข็งละลายเดี๋ยวน้ำก็ท่วมบ้านท่วเมืองอีกแล้วจะอยู่กันยังไงละทีเนี้ยธรรมชาติของคนเราตอนอยู่สบายสบายจะไม่ค่อยมีสติ ต่อเมื่อภัยมาหรือจวนตัวจึงค่อยตั้งสติกันได้ฉะนั้นถ้าโลกแย่อย่างนี้แล้วพวกเรามีสติกันมากขึ้นก็นับว่ามีแง่ดีเหมือนกันอย่างน้อยถ้าต้องตายกระทันหันก็จะตายแบบมีสติมากกว่าตอนประมาทไม่เตรียมใจอะไรเลยถ้าพวกเราโกรธกันเองก็มาทะเลาะกันโดยไม่ต้องมัวทาใจเย็นตั้งสติแต่เมื่อโลกโกรธพวกเราพวกเราไม่มีสิทธิโกรธตอบ มีแต่จะต้องทำใจให้เย็นลงและตั้งสติกันมากขึ้นรับฟังความในใจของโลกผ่านปรากฏการธรรมชาติมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโลกแสดงความขัดเคืองด้วยการตะข้อเกลี้ยกลาำใส่หูทุกคนเช่นนี้ก็อย่าทำแข็งขืนอย่าอวดกล้าแต่เบงเสียงแข่งกับโลกต่อทางที่ดีคือก้มหน้าคอตกแสดงการรับรู้โดยสงบว่าโลกไม่ใช่ของฟรี เขาไม่ได้ให้อยู่โดยไม่ต้องดูแลรักษาเราต้องรับผิดชอบในฐานะผู้อยู่อาศัยบ้างชีวิตพวกเราขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของโลกถ้าถึงเวลาที่โลกเขาไม่เต็มใจให้เราอยู่จริงๆสิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือตั้งสติระลึกถึงสัจจะที่ยิ่งใหญ่นั่นคือชีวิตเป็นของจากัดไม่ได้มีให้ใช้ตลอดไปถึงเวลาไตรตรองเสียทีว่า ชีวิตที่เหลือจะเอาไปใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเผื่อหน้าเผื่อหลังคุ้มที่สุดจะได้ไม่ต้องมาเสียใจเหมือนครั้งไม่ยอมใช้โลกแบบเผื่อหน้าเผื่อหลังดังที่ผ่านมา้้เเราาาววววยยยมมงอกกช่่ันนดแลทีส